ทนี้ตอนหลังพระ อ, องค์ก็ตอนหลังเขาก็มีการอาราธนาให้พระ อ, องค์เนี่ยมีพระมหาการุณาเนี่ยนะก็ให้สงเคราะห์เหมือนเดิมเถอะถ้าพระ อ, องค์ไม่สงเคราะห์แล้วเขาจะไปเป็นอื่นเขาก็เหมือนกับพืชอ่อนๆที่จะฆ่าพระ อ, องค์ไม่สงเคราะห์ก็เหมือนกับพืชอ่อนขาดน้ําเหมือนลูกโคที่ไม่ได้ดื่มน้ํานมเนี่ยนะแล้วก็อาพระ อ, องค์ก็ก็ให้เขาไปตามมาซึ่งจริงๆก็เป็นวิธีสอนของพระพุทธเจ้านะพระ อ, องค์ก็ไม่ได้ คิดจะเลิกสอนอะไรจริงๆหรอกแต่ว่าเป็นวิธีสอนอีกวิธีหนึ่งคือทําไม่ทําอย่างนั้นสอนพวกนี้ไม่ได้เห็นไหมทีนี้พระองค์ก็ถามภาษาดิบุตรว่าภาษาริบุตรคิดยังไงที่เราประนามภิกษุสงฆ์อย่างนี้ภาษาริบุตรบอกว่าตอนนี้พระองค์ขวนขวายน้อยข้าพระองค์ก็จะขวนขวายน้อยบ้างล้วเห็นไหมพระองค์ก็บอกว่าช้าก่อนสาดิบุตรนะครันไอตรงนี้แหละที่ท่านบอกว่าถือเป็นความคิดที่ไม่ดีเนี่ยนะเท บางคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยว่าอ้าแล้วพระพุทธเจ้าแรกตรัสรู้ใหม่ๆก็คิดจะไม่สอนคนอื่นเหมือนกันไม่ถือว่าเป็นความบกพร่องของพระองค์เหลยคือพระองค์ที่บอกว่าน้อมไม่ไม่สอนเนี่ยไม่ได้มีเจตนารมณ์อย่างนั้นจริงแต่ว่าเป็นธรรมเนียมหรือประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยนะคือสมัยนั้นเนี่ยเขานับถือพรมมากที่สุดเนี่ยนะเพราะถือว่ า, าศาสนาพราหมณ์นี่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นพรมเนี่ยคือพระเจ้า พั้นวิธีการที่จะทําให้คนนับถือก็คือให้พรหมเนี่ยเป็นผู้อาราธนาเสเองว่าพระองค์เนี่ยเหนือกว่าพรหมเสอีกเนี่ยนะก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งแล้วก็ที่พระองค์พิจารณาอย่างนั้นก็ธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งจริงๆด้วยเนี่ยนะสำหรับหมูสัตว์ผู้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไรก็คือยินดีในเบญจากา ม, มคุณเนี่ยนะ ย, ยากที่จะตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทและพระนิพพาน ความงามทุกประการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะที่ที่พระองค์มีจนถึงกละกิเลส พ, พร้อมทั้งวาสนาในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงประทานวิมุติธรรมอันลําเลิศวิมุติที่ล้าเลิศสูงสุดก็คืออรหัตผลวิมุติพระองค์สอนตั้งกับวิมุติตั้งกับโสดาโสดาปฏิผลก็เรียกว่าวิมุติเหมือนกันสกท า, าคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลก็ชื่อว่าวิมุตินั้นพระองค์ประทานวิมุติ ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังประทานวิมุติให้กับคนอื่นๆ อ, อีกถึงชาตินั้นเขาไม่ได้บรรลุนะมีหลายสูตรอย่างพระองค์สอนสัจจการิช น, นเนี่ยนะนั่นจะเป็นวาสนาอุปนิสัยให้สัจจการิช น, นบรรลุในพบหลังหรือสอนอุทายีพราหมณ์เนี่ยนะอุทายีปริภาชกเป็นต้นเนี่ยพระองค์สอนให้เขาได้ว่าเป็นวาสนาที่จะให้ตรัสรู้อริยสัจในในชาติหลังๆต่อไป มันพระองค์ก็ประทชื่อว่าประทานวิมุตต์แต่ว่าประทานระยะไกลมากเนี่ยนะคือคือเขาไม่สามารถจะรับได้ในตอนนั้นพระองค์ก็ประทานในระยะยาวให้ใ น, นของเราถ้าไม่ได้บรรลุชาตินี้ก็พระองค์ก็ประทานวิมุตต์ให้เหมือนกันแล้วก็เรามาอาศัยคําสอนของพระองค์ก็ปรารถนาวิมุตต์เนี่ยนะพูดถึงเขาบอกว่าพระองค์เนี่ยมีกรุณาเยือกเย็นเหมือนกับ แก่นไม้จำเนี่ยนะถ้าไม้จันนี่ถ้าเป็นยาโบราณหน่อยก็ว่าเป็นกลุ่มยาเย็นทั้งหลายเนี่ยนะพวกไข้ไข้ขึ้นนะถ้าได้เอาน้ําจำเอาเแก่นจันท์เนี่ยมาฝนฝนกินเนี่ยก็จะทําให้ตัวนี่เย็นสบายนะความร้อนที่มีอยู่ก็จะระ ง, งับความเร่าร้อนฉันได้พระองค์ก็เหมือนกันเนี่ยพระองค์มีกรุณาที่เยือกเย็นต่อสัตว์สัตว์ทั้งหลายบางแห่งก็บอกว่าเยือกเย็นเหมือนกับอะไรเหมือนกับความเย็นแห่งดวงจันเนี่ยนะ เคยเห็นดวงจันทร์ส่องแล้วร้อนระอุไหมไม่มีพระผากรุณาของพระองค์นี้ก็เยือกเย็นฉันนั้นพระมองแบบหมอยาหน่อยเขาบอกว่าเออเย็นเหมือนไม้จันทร์นะถ้ายาไหนถ้าผสมไม้จันทร์เยอะก็กายก็จะเย็นถ้นไข้ขึ้นก็จะให้พวกแก่นจันทร์เนี่ยฝนฝนแล้วก็ให้มันเย็นทีนี้ในในคาถาช่วงแรกๆเลยนะประกาศถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณเป็นหลักพูดถึงคาถากลางๆเนี่ยนะบอกพระองค์มีพระไทยเยือกเย็นเหมือนกับ แก่นไม้จันอันนี้ก็ประกาศถึงพระกรุณาคุณแล้วก็ต่อไปก็พระปัญญาคุณว่าพระองค์นี้ทรงพระปัญญาโทษช่วงดังดวงระวีดวงระวีนี่ก็เป็นชื่อของดวงอาทิตย์บอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะถ้ายามเที่ยงวันตราศจากเมฆหมอกก็สามารถที่จะส่องได้อย่างสว่างสวัยฉันใดปัญญาของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นมีปัญญาสว่างสวัยส่องได้ไม่มีอะไรติดขัด พระดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างเนี่ยนะไม่ใช่สว่างเฉพาะที่เราเห็นเท่านั้นใช่ไหมอย่างตอนนี้เนี่ยดวงอาทิตย์ส่องรัศมีได้กว้างขวางขนาดไหนเนีย่ยส่องรัศมีกว้างขวางมากปัญญาของพระองค์ก็ฉะนั้นถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะสว่างเฉพาะในกลางวันดวงจันทร์ก็จะสว่างเฉพาะกลางคื น, นเนี่ยนะแต่ว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสว่างทั้งหมดไม่ว่ากลางวันและกลางคืน ดวงอาทิตย์ส่องได้เฉพาะในปัจจุบันดวงจันทร์นี่ก็ส่องเห็นเฉพาะปัจจุบันแต่พระพุทธเจ้าส่องเห็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันดวงอาทิตย์ส่องทะลุแผ่นดินไปไม่ได้แต่ปัญญาของพระ อ, องค์นี่ส่องทะลุแผ่นดินไปได้เนี่ยนะส่องได้ไม่มีกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าที่เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ก็คือมันใหญ่พอที่เราจะพอเห็นได้แต่จริงๆแล้วปัญญาของพระ อ, องค์ไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะเท่าดวงอาทิตย์เท่านั้น ก็อุปมานะคํานนคว่าเหมือนเนี่ยคําว่าเหมือนเนี่ยก็คือจริงๆแล้วดีกว่านี้แต่ว่ายกอันเนี้ยคือคือให้มันเห็นชัดหน่อยพระองค์ผู้มีปัญญาอย่างนี้เนี่ยมีปัญญาเอาไว้โก Ô งทุจริตคอรัปชันอะไรคนอื่นเข้าไหมไม่ใช่เพื่ออะไรล่ะเพื่อแนะนําสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะคําว่าแนะนําก็มาจากเวไนหรือวินัยเนี่ยนะวินัยเนี่ยมีอยู่สองใช่ไหมสังวรวินัยกับปะหานะวินยัย พระองค์มีคุณธรรมขนาดนี้เพื่อจะแสดงปาติโมขสังวรหรือศีลสังวรเพื่อจะแสดงอินทรียสังวรหรือสติสังวรแสดงญาณสังวรแสดงวิริยะสังวรแสดงขันติสังวรเเพื่อจะแสดงสังวรทั้งหลายเหล่านี้และพระองค์ก็จะแสดงตถาวินัยนี่นะเรียกว่าวินัยนี่แบ่งออกเป็นสองนะสังวรวินัยกับปหานวินัยปะหานวินัยก็คือ ตทังข้าประหารวิขำพระน้าประหารสมุเฉทขประหารปฏิปัสสติประหารและนิสรณะประหารว่าย่อๆก็คือศีลเป็นตทังข้าประหารสมถะเป็นวิขำพระน้ประหารปัญญาเป็นสมุเฉทขประหารแล้วก็อริยผลเป็นปฏิปัสสติประหารนิพพานเป็นนิสรณประหารพระองค์นั้นผู้ที่มีคุณธรรมเปี่ยมล้น จนถึงมีภาพปัญญากว้างขวางดุจ ด, ดวงอาทิตย์ก็เพื่อที่จะส่งอให้เวนยศัตว์ทั้งหลายประพฤติตามสังวรวินยัยกับปหานวินยัยนั่นแหละเป็นเครื่องแนะนําที่จะช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้จริงๆจากบทนี้ทําให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยเป็นครูจริงๆอนะไม่ไม่ใช่อยู่ในฐานะที่ทําแทงใครก็รสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่มีกรรมเป็นของของตนจริงๆพระองค์เนี่ยไม่ใช่ว่า หยิบยืน่ะนะเอามัดผลเนี่ยพาอกและยับให้เข้าไปอ น, นี้ไม่ใช่ใช่ไหมพระองค์เนี่ยเป็นผู้แนะนําทางมียุสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าตถาคตเนี่ยเป็นผู้ฉลาดในทางเป็นผู้บอกทางคือบอกคือบอกไตรสิตขาบอกอริยมรรคเนี่ยนะส่วนผู้ที่ได้รับการบอกแล้วถ้าเขาไม่ทําตามจะไปว่าอย่างไงเขาเจะไปว่าอะไรเขาได้ใช่ไหมหรือมีคนมาถามเจ้าหน้าที่กรมทางแล้วน่ะถามเสร็จแล้วไม่ไปตามตามที่เขาบอกก็จะว่าไงเขา จะไปว่าอะไรเขาอ่ะเนาะพระองค์ก็เหมือนกันแนละ้วพระพุทธเจ้าสอนทางไปไหนบ้างอา่ะถ้าใช้คำว่าทางเนี่ยนะคงต้องนึกถึงสัพพัทธคามินีปฏิปทายานญาณที่รู้ข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงพบทั้งปวงและเพื่อให้พ้นจากพพอหกุสลกรรมบทสิบประการเป็นทางแห่งนรกเปรตอสุรกายและเดราชานเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นทางนะ หกุศลกรรมบทสิบก็เป็นทางไปสู่อาบายและยังอื่นอีกแหละกุศลกรรมบทสิบเป็นทางแห่งมนุษย์เนี่ยนะมนุษยธรรมนะคือกุศลกรรมบทสิบฮินิโอตตะก็เป็นเทวธรรมอัปปมัญญาก็เป็นพรหมธรรมหรือพรหมทางแห่งพรหมโลกเนี่ยนะทางแห่งอรูปประพรมก็คืออรูปประชานทางแห่งพระนิพพานมัทมีองแปดเนี่ยนะ คือถ้าเป็นทางแห่งแห่งอบายเนี่ยนะก็คือทุตจิติสามประการใช่ไหมมิจฉาวาจามิจฉากรรมมันตมิจฉาอาชีวะอันนี้เป็นทางแห่งอบายส่วนทางแห่งสุขติคือเป็นมนุษย์ก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตสัมมาอาชีวะส่วนทางแห่งพรหมโลกสัมมาสติกับสัมมาสมาธิะนะถ้าทางแห่งความหลุดพ้นก็ต้องทั้งแปดเนี่ยประชุมกันเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยท่านบอกว่าข้ามพ้นจากอบายสัมมาวจจะสัมมากัมมันตะสัมมาอชีวะเนี่ยนะเป็นคุณธรรมที่ให้ออกจากอบายสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยข้ามพ้นจากกามสุขตินี่นะข้ามพ้นจากมนุษย์และเทวดาถ้ามีปัญญาที่เห็นอริยสัจแล้วผนวกคุณธรรมที่กล่าวไปทั้งหมดประชุมกันนั่นเป็นทางออกจากวัตฏทั้งปวง ัพระองค์นี้ก็เป็นผู้ที่ฉลาดในทางแล้วก็แนะนําทางเหล่านั้นนะนะะคงผู้ฉลาดในทางขนาดนี้แล้วพระองค์ก็บอกทางทุกทางหมดนะเราเลือกเดินทางไหนนะก็โสมนัสกับสิ่งใดนั่นแหละคือทางเดินของเราอนไะฟังมาแล้วยิ้มกับทางไหนมากนะอ่านะโอ้ต้องทั้งแปดองค์ประชุมกันนะแต่ถ้าโอ้ต้องศีลด้วยหรือศีนต้องรักษาขนาดนั้นด้วยหรือแล้วฟูงๆแค่นี้พอไหมอะไรถ้าอย่างนี้ก็โอ้อีกนานนะ ก็ไม่ค่อยยินดีในทางที่พระองค์ตรัสไว้เท่าไหร่เนี่ยนะหรือว่าโอ้โหนี่ต้องคิดทั้งวันทั้งคืนเลยหรือเนี่ยจะต้องเจริญมากขนาดนั้นด้วยหรืออะไรจะเปิดช่องว่างให้อากุศลเกิดทําอะไรกรองก็สอนให้ให้มีสติตลอดนั้นแหละให้เป็นกุศลโดยรอบอนะของเราก็จะอนุรักษ์ไว้อีกนะขอเวลาให้โลภะเกิดบ้างเถอะกี่นาที <c oughs> เวลาธรรมะขอให้อยู่น้อยๆเวลาเวลาอกุศลเนี่ยโอ้ยาวไม่เป็นไรอันไหน จริงๆแล้วการเจริญเนี่ยนะเราก็ต้องพยายามฝึกอย่างสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถทำกุศลให้เกิดได้กี่ชั่วโมงอฝึกเมื่อไหร่ที่เรียกว่าตื่นและเป็นกุศลตลอดนะจนกว่าจะหลับอีกครั้งหนึ่งถ้าเจริญไม่ได้ขนาดนั้นนะก็ยากที่จะหวังบรรลุทำได้นี่นะอกุศลมันกลุ่มรุมเลือเกินเนี่ยนะมันก็บรรลุมไม่ได้อยู่แล้วเงั้นการเจริญกุศลเนี่ยหมายถึงการออกจาก อกุศลทีนี้คําสอนทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นคําสอนเพื่อออกจากอากุศลให้เป็นไปกับกุศลทั้งหลายนั่นเองดังนั้นถ้าประพฤติกุศลได้จนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์นั่นแหละจึงจะเกิดการตรัสรู้ธรรมทีนี้พระองค์ก็พยายามที่จะแนะนำใช่ไหมพระองค์มีคําสอนเหล่านี้มาแนะนําเวนัยศัสตร์ทั้งหลายดังนั้นถ้าเวนยศัสตร์ทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์แนะนําสั่งสอน ถามว่าในโลกนี้ใครเชื่อพระพุทธเจ้ามากที่สุดภาษารีบุตรนะเชื่อพระพุทธเจ้ามากที่สุดไม่มีใครเคารพพระพุทธเจ้าเท่าภาษารีบุตรเนี่ยนะเพราะพระพระพุทธเจ้าภาษารีบุตรท่านรู้คุณของพระพุทธเจ้ามากที่สุดท่านจึงเลื่อมใสพระพุทธเจ้ามากที่สุดก็ดูนะว่าสัมปัสสถานีสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่ภาษารีบุตรประกาศความเลื่อมใสของท่านที่มีต่อพระพุทธเจ้า แล้วถามว่ามีใครชมพระพุทธเจ้าได้เท่าพระสารีบุตรไหมไม่มีพระสารีบุตรท่านชมพระพุทธเจ้ามากที่สุดประกาศว่าท่านเลื่อมสายในพระพุทธเจ้ามากที่สุดท่านไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะมีศรัทธากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่ากับพระสารีบุตรในจํานวนสาวกทั้งหลายนะแต่จริงๆแล้วพระสารีบุตรก็รู้คุณของพระพุทธเจ้าน้อยกว่าพระปัจเจกพระปัจเจกก็รู้คุณของพระพุทธเจ้าน้อยกว่าพระพุทธเจ้าด้วยกัน พระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันจึงจะรู้คุณของพระพุทธเจ้าได้สิ้นเชิงเนี่ยนะฉะนั้นพระองค์ก็มีคุณธรรมดังกล่าวไปก็เพื่อมาแนะนําเราท่านทั้งหลายนั่นแหละให้ออกจากอากุศลให้เป็นไปกับกุศลคนที่จะเจริญงอกงามในศาสนาได้เนี่ยนะอย่างพระพิสุทธ์สมัยพุทธกาลเนี่ยมีให้เห็นหลายรูปท่านเหล่านั้นเมื่อเจริญกุศลธรรมไประดับหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ท่านจะพูดคือบอกว่าท่านดีใจเหลือเกิน ดีใจที่ได้นับถือพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้านําท่านออกจากอากุศลไปเป็นอันมากนําออกจากอากุศลเป็นอันมากแล้วก็นําให้เจริญกุศลเนี่ยเป็นอย่างมากเนยตลอดจนถึงผู้ที่ได้มรรคกุศลด้วยก็ยิ่งจะเห็นคุณมากเนนี่ยะอย่างถ้าไม่มีคําสอนเลยนะอย่างวันนี้เราจะไปเป็นกุศลหรืออกุศลก็เป็นอกุศลเนี่ยนะก็ขณะที่เจริญกุศลก็ออกจาก อกุศลเนี่ยเป็นอย่างมากเนี่ยนะงั้นผู้ที่เจริญหรือปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งที่จะเห็นเห็นได้ชัดเลยก็คือออกจากอากุศลเพรฉะนั้นโอวาปาติโมกเนี่ยพระองค์แสดงไว้อย่างนั้นใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องวัดธรรมดาๆเลยเนะถ้าปฏิบัติตามถ้าทําคำสอนจริงก็ต้องอกุศลลดลงสัพปาปัสสะการณังเนี่ยนะต้องทําอกุศลน้อยลงได้อสองกุศลก็เจริ ญ, ญ, ญยิง่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยจนกว่าจะชําระจิตให้พ้นจาก อาสวะทั้งมวลผู้ที่รู้พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วนอบน้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงไตรสารณคมมากที่สุดเนี่ยนะแล้วบอกว่าภูตุชนทั้งหมดเลยนะไม่มีใครรู้คุณเท่ากับพระโสดาบันแม้แต่คนเดียวหรือเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าเท่ากับพระโสดาบันพระโสดาบันทั้งหมดก็ไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าเท่ากับพระสกท า, าคามี ทศกส t h a าคามีทั้งหมดก็ไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าเท่ากับท่านาคามียท่านาคามีก็รู้คุณไม่เท่ากับพระนะหาันฉะนั้นผู้ที่รู้คุณพระพุทธเจ้ามากเท่าไหร่เนี่ยนะก็จะนอบน้อมคุณของพระพุทธเจ้าได้มากเท่านั้นการนอบน้อมคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเห็นเห็นเลยก็ราคะโทสะโมหะในขณะที่นอบน้อมนี้สิ้นไปใน อัตกถาพระวินัยเออขอไปในดีกาพระวินัยเป็นต้นเนี่ยนะอีกหลายกัมปีกล่าวถึงอานิสงส์ของการนอบน้อมพระรัตนตรยัยการระลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรยัยอานิสงส์บอกว่าถ้ากรรมเนี่ยถ้าไม่หนักหนาสาหัสจริงๆนะผลของการนอบน้อมพระรัตนตรยัยห้ามได้เนี่ยนะห้ามไปห้ามอุปปีและกรรมไปห้ามอุปเชตตะกระกรรมเป็นต้นเนี่ยห้ามได้ตั้งหลายกรรม เว้นไว้แต่กรรมนั้นหนักนาสาหัสจริงๆนะแต่ถ้าธรรมดาทั่วๆไปนี้ห้ามได้เปรียบเหมือนอะไรเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีมีพ่อเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยนะถ้าปกติธรรมดาถ้าโรคธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะพ่อก็ต้องรักษาหายใช่ไหมแต่ถ้าโรคถึงขนาดว่าคอขาดมาแล้วล่ะเว้ยหมอจะเก่งกวันนั้นก็รักษาไม่หายหายรอกเน่นะฉันใดก็ดีถ้าโรคเนี่ยนะถ้ากิเลสหรือบาปประกรรมที่เราทําส่วนหนึ่ง ในอดีตเนี่ยนะที่ที่พอที่จะให้ผลได้เนี่ยถ้าความที่บุญเราดีเนี่ยนะที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยบุญเหล่านั้นเนี่ยปิดกั้นได้เพราะการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยส่วนหนึ่งเขาจะตั้งความปรารถนาหรืออะไรอย่างไรอย่างหนึ่งหลังจากที่นอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยมีหลายคัมภีร์เลยท่านกล่าวว่าตัดสานุภาเวนะหตันตรายโยเนี่ยนะเขาบอกว่าด้วยเดชแห่งบุญนั้นอะที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรัย ขอให้กำจัดอันตรายออกไปอันตรายนี้แบ่งออกเป็นสองใช่ไหมอันตรายที่ปรากฏกับปกปิดอันตรายปรากฏก็คือภัยทั้งหลายที่เรายอมรับกันว่าภัยเนี่ยนะที่เห็นเห็นเช่นอะไรพวกสิงสาราศักด์พวกโรกคภัยไข้เจ็บเป็นต้นเนี่ยนะเราก็เห็นว่าเป็นภัยกับอันตรายที่ปกปิดคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นเรียกว่าอันตรายปกปิดคือปกปิดเนี่ยคนไม่ค่อยยอมรับใช่ไหมว่าเป็นอันตรายเนี่ยนะ ขณะที่โกรธเราคิดไหมว่าอันตรายแล้วนะยากหรือขณะที่เราชอบทานอาหารอร่อยๆเนี่ยเพลินมากดูทีวีละครที่เราชอบใจนะดูได้ตั้งนานหรนะหรือเพลงที่เราชอบเนี่ยฟังไปสองสามรอบแล้วก็ยังสบายนั่นแหละเราคิดไหมว่าอันตรายนั่นแหละเขาเรียกว่าอันตรายตกปิดราคาโทสะโมหะถือว่าเป็นอันตรายตกปิด ทันผู้ที่นอบน้อมพระรัตนตรัยในขณะนั้นเนี่ยก็กำจัดอันตรายเหล่านี้ออกไปอันตรายทั้งที่ปรากฏและปกปิดฉันพระองค์เนี่ยกำจัดอันตรายเหล่านี้ได้ก่อนใช่ไหมสองถ้าจุติตอนที่นอบน้อมพระรัตนตรยัยอันเนี้ยดีที่สุดเนี่ยนะเ็าบอกว่าเป็นกรรมมณีมิต